อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าเวทะคูเพราะพระองค์เนี่ยทรงทราบแล้วซึ่งธรรมะเจ็ประการคือทรงทราบสกายะทิฐิวิจิกิจชาสีละพะตาปรามาสพระองค์นี้ทรงทราบราคะโทสะโมหะมานะและพระองค์นี้ทรงทราบอากุศลธรรมอลา ม, มกเป็นอันมากอันทําให้เศร้าหมองให้เกิดในพบใหม่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไป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 มีพระองค์อันให้เจริญแล้วหรือมีตนอันอบรมแล้วมาจากคำว่าพาวิตตานังเนี่ยนะผู้มีตนอบรมแล้วไปอบไปรมตนมาอย่างไรเนี่ยนะไปอบรมตนยังไงนะถ้าเป็นอบรมก็มาจากอบกับรมอ่ะนะเรียกว่าอบรมใช่ไหทั้งอบมาอย่างดีทั้งรมมาเป็นอย่างดีแล้วเรียกว่าทั้งอบทั้งรมเรียกว่าอบรมอันนี้สำนวนไทยนะบาลีก็คือภาวนานะไปเจริญยังไงเกัน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 ไม่มีใครอย่างลงถึงที่สุดแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มีพระธรรมรัตนมากธรรมะพระพุทธเจ้านี่มีมากเปรียบเหมือนทะเลหลวงพระองค์นี้ประกอบด้วยฉลังอุเบกขาเรียกว่าอุเบกขามีองค์หกพระองค์นี้เห็นรูปด้วยพระจักษุแต่ไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะเรียกว่าดํารงจิตอยู่ด้วยมหากิริยา ไม่ตกฝ่ายไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งราคะและโทสะในรูปที่เห็นหรือพอองค์ได้ยินเสียงด้วยพระโสดแล้วทรงดมกลิ่นด้วยพระคานะลิ้มรสด้วยพระชิวหาถูกต้องโพธภาพาด้วยพระกายทรงทราบพระธรรมทรงทรงาบธรรมรมรด้วยพระมนัตแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่เรียกว่าดำรงอยู่ด้วยมหากิริยาจริงๆเนี่ยนะ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 รูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ขัดเคืองเป็นจิตที่พ้นดีวิเศษจริงๆนะนะพ้นจากถ้าโทสะเนี่ยพระองค์ก็พ้นวิเศษด้วยอนาคามีมักนะราคาก็พ้นวิเศษด้วยอรหัตตมักนั่นแหละเสียงที่ได้ยินเสียงที่น่าพอใจที่ได้ฟังด้วยโสตกลิ่นที่น่าพอใจที่รู้ด้วยจมูกลิ้นลิมรสที่น่าพอใจด้วยชิวหาถูกต้องโพธาภะที่น่าพอใจด้วยกายทราบธรรมรมณ์ที่น่าพอใจด้วยพระไถยแล้วไม่ทรง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 คือพอฉันแต่ละคำเนี่ยเทวดาจะหยอดโอชาทิพย์ลงไปด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รับรสที่เป็นทิพย์อยู่ตลอดนั่นแหละอารมณ์ทางกายพระองค์นี่ก็โอเป็นเป็นอะไรเป็นโพธพะที่มีฌานเป็นสมุทฐานเนี่ยนะเป็นโพธะะที่มีฌานเป็นสมุทฐานเนี่ยจึงเป็นโพธะะอย่างประณีตอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ธรรมอารมณ์เนี่ยพระองค์มีกระทั่งรู้พระนิพานเป็นอารมณ์ด้วยนะอย่าว่าระดับธรรมดาเลยมีทั้งนิพานเป็นอารมณ์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 ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกเลี้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภาภะด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจยเนี่ยก็ไม่รักในอารมณ์เหล่านั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่ขัดเคืองในอารมณ์เหล่านั้นอะ่ะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่ลหลงไหลในอารมณ์ทั้งหมดนั้นอะ่ะเป็นที่ตั้งแห่งความลหลงไหลไม่โกรธในธรรมะ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 พ ร, พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระคานะสูตรกลิ่นด้วยพระคานะแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไทยพ้นวิเศษดีแล้วพระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงมีพระชิวหาทรงลิ้มรสด้วยพระชิวหาแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไถพ้นวิเศษดีแล um ้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกายถูกต้องโพธพภะแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไถพ้นวิเศษดีแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมนตสคือใจทรงรู้แจ้งธรรมอารมณ์รู้แจ้งอารมณ์ด้วยใจแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไทยพ้นดีแล้วคือทวาวรไหนนประตูไหนไหลเข้าไปเถอะไม่มีราคะแทรกแม้แต่ทวานรเดียวซึ่งต่างจากปุถุชนทั้งหลายเนี่ยติดนับมนหมดเนี่ไ แต่เฉพาะที่หน้าพอใจนะเน้นนะอารมณ์ที่หน้าพอใจเห็นก็ติดได้ยินก็ติดรู้กลิ่นก็ติดลิมรสก็ติดรู้ต้องโพตาภาก็ติดรับกระทบธรรมอารมณ์ก็ติดเรื่องราวอะไรก็ติดหมดนะอย่างเช่นคนที่ที่ชอบใจในเรื่องเรื่องบ้านเนี่ยนะพอพูดถึงคําว่าบ้านหนึ่งคำปั๊บไหลยาวเลยยาวเลยมันติดขนาดนั้นเลยพอติดในเรื่องลูกปั๊บนะเอาเรื่องลูกมาหนึ่งคำที่เหลือเขาตอบหมดนะนําหน้าเขาคําเดียวพอละที่เหลือเขาจะคุยเขาเอง ถ้าใครติดเรื่องรถนะพูดคำมารถคำเดียวนะที่เหลือเขาจะว่าของเขาเองนละยยาวเลยนะอันผู้ที่ติดผู้ที่คล่องจริงๆอ่ะเพล้นในสิ่งเหล่านั้นอ่ะนะ